วันนี้เป็นวันเขื่อนแปดค่าเดือน9เป็นวันรักษาโบสถศินของคณะรัตย า, าติโยมในพรรษาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งก็ขอให้พวกเราทุกท่านในพรรษาอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ว่าจะสมาทานหรือจะรักษาศินห้าหรือศินอุโบสถในสามเดือนหรือไตรมาสสามเดือนนี้ ให้บริสุทธิ์บริบู์ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจเอาไว้ว่าเราได้ตั้งกิจทธิฐานอันไหนไว้ก็ให้ทำให้สมบูรณ์บริบู์ทุกขณะวันนี้คณะของหลวงพ่อสัทธาญาติโยมบางกลุ่มก็คงจะออกไปมอบรถคณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อย มอบรถสประตูให้แก่ส่วนราชการตำรวจก็คงจะไปมอบที่อุดรวันนี้ก็คงจะมีศรัทธาญาติโยมผู้ใหญ่ของวัดบ้างและก็คงเป็นสงฆ์คณะพระในวัดของเราออกไปก็คงไม่มากคงไปมอบให้ใช้ในราชการอันนี้ก็ได้ตกลงกันได้ปรึกษาปรารบกันมานานแต่ตามที่จริง องหลวงตาท่านขอมอบรถให้แก่โรงพยาบาลไม่รู้กี่สิบคันว่างั้นเถอะรถโตราคาแพงกว่าของเราแต่ของเรานี่ขอมอบคันนี้เป็นคันแรกเรื่องมอบรถนะเรื่องมอบรถให้แก่สวนราชการเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกวัดของเราเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมก็คงจะอยากจะรู้อยากจะทราบ ความเป็นมาและความเป็นไปอย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยมอบเป็นทางการให้ศรัทธาญาติโยมดูแลวัดวาศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมที่มาเกี่ยวข้องกับวัดหลวงพ่ออยากจะให้รับ ร, ร, บ ร, ร, บรู้รับทราบร่วมกันพอเงินก้อนนี้ถึงจะเป็นก้อนเล็กสําหรับที่อื่นวัดอื่นนะแต่สําหรับวัดของเรานี่รู้สึกว่า เป็นก้อนใหญ่สำหรับวัดของเราที่ที่ได้เสียสละออกไปรถคันนี้ก็ตีราคารวมเบ็ดเสร็จก็จะประมาณสักหกแสนหกประมาณเนี้ยรถนิสสันสี่ประตูคันนี้ก็ว่าหกแสหกถ้าพวกเราอยู่ในปานตรงพงไพรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราก็ เห็นว่าส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องน้าใจของเรายิ่งใหญ่กว่ารถคันนี้อีกว่างั้นถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามันมีมาอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยควรจะคงจะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ไม่ว่าวัดวาดศาสานาไม่ว่าส่วนราชการไม่ว่าส่วนไหนถ้าเกิดประโยชน์ต่อชุมชนประเทศชาติหลวงพ่อก็จะพยายามทำสิ่งนั้นให้ให้ดีที่สุดว่างั้น่ในความตั้งใจนะ เพราะนั้นในครั้งนี้ก็ได้มอบรถให้แก่สถานีตำรวจและก็พร้อมกันก่อนหน้านี้หลวงพ่อกัได้มอบเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แล้วก็โรงร่าโรงเรียนก็หลายหลังอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือสาธารณประโยชน์ประโยชน์ท่านประโยชน์ต้นควรจะทําอย่างไรอันนี้ก็ไม่ควรประมาทอีกเหมือนกัน เพราะนั้นขอเตือนศรัทธาญาติโยมลุกสิทธิลุกหาออกตนญาติโยมของหลวงพ่อประโยชน์ท่านก็ให้พร้อมช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์การทำสาธารณประโยชน์จังหวัดตัดญาต์ถนนหนทางอย่างที่หลวงพ่อเห็นวันนี้จากหน้าวัดไปถึงบ้านนาคัางชุมพลหลวงพ่อว่าเอออันนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ประโยชน์ท่านคล้ายๆกับว่า เป็นความปลอดภัยของท้องถิ่นของเราคนมาในท้องถิน่นถ้ามันหญ้ามันลกในทางโค้งก็เป็นอันตรายเพราะนั้นเราก็ช่วยกันตัดได้หญ้าออกจากถนนดูๆแล้วก็สะอาดจะอา่านงามตาอันนี้ประวะระัติประโยชน์ท่านประโยชน์พวกเราทุกคนร่วมกันต่างคนก็ต่างท่านต่างคนก็ต่างท่านเสียสละเพื่อท่าน โลกทั้งโลกหน้าอยู่หน้าทัศนาแบบนั้นเถอหน้าดูหน้าเล่หน้าชมแบบนั้นแต่ถ้าว่าไม่มีใครเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นแก่ใครไม่สงเคราะห์แก่ใครเห็นแต่ตัวเองอันนั้นแปลว่าเห็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมองไม่เห็นอันนี้พวกเราให้พยายามมองประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็น พระโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถึงจะทําประโยชน์ท่านอย่างไรก็ตามประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์ตนก็อย่างวันนี้พวกคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาไหว้พระจากนั้นก่อสมาทานศีล น, นี่แหละประโยชน์ตนแหละคือรักษากายวาจาใจของเรารักษาใจของเราเป็นเบื้องต้นก่อนที่สิ่งภายนอกจะดีได้ก็ต้องอาศัยใจ ใจของเราได้รับการอบรมใจของเราได้รับการศึกษาใจได้รับใจของเราได้รับการได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็นํามาประพุทิปฏิบัติเมื่อใจดีแล้ววาจาก็ดีกายการการกระทําก็ดีไปด้วยเพราะหัวหน้าดีเพราะฉะนั้นหัวหน้าสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมคือใจใจเป็นหัวหน้า เพราะฉนั้นวันนี้พวกเราได้มาวัดวาศาสนาเป็นวันพระขึ้นแปดค่ําเป็นวันรักษาโบสถศีลของพวกเราเป็นประจําปีมาตลอดมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นข อ, ขอให้พวกเรารักษาจนชีวิตจะหาไม่พูดอย่างนั้นได้เลยนะนะขอให้พวกเราทุกท่านให้รักษาศีลในวัน ไรมาศสามเดือนจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนวการบําเพ็ญกุศลเป็นการส่งเสริมอาหารทางด้านจิตใจอาหารภายนอกมีข้าวน้ําโภชนาะอาหารใจสี่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยภายนอกแต่ส่วนอาหารทางจิตใจนี่แหละที่พวกเรามาเสาะแสวงหรือมาปฏิบัติวันนี้ที่วันพระอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าเอาหาอาหารเข้าสู่จิตใจนะ หาอาหารเข้าสู่ใจพวกนั้นขอให้พวกเราทา ใ, ให้มากเจริญให้มากทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เกินการภาวนาอย่าได้ขาดตกบกพร่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องภาวนาภาวนาเนี่ยบุญกุศลมหากุศลอย่างอื่นถึงเราจะสร้างโบสถ์สั่งวิหารสั่งอาคารเรียน สร้างอะไรก็ตามที่เป็นบุญกุศลก็สู้จิตภาวนาไม่ได้จิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องภาวนาถึงจะทํานิดๆหน่อยๆก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะพวกเราจะได้ดูใจของพวกเราอืใจของเรานี่คืออะไรเวลานั่งสมาธิดูใจดูจิตของตนเองกําหนดดูใจของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรเนี่ย ถ้าว่าไม่มีสมาธิเข้าไปจับแล้วเราจะไม่รู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้พวกเรานั่งสมาธิทําจิตให้สงบเวลาทําสมาธิทํำยังไงหลวงพ่อก็ได้แนะนําสอนมากต่อมากานั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้อพับเพียบก็ได้ อ, อริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับถ้าหลับไม่ใช่นั่งสมาธินอน เป็นนอนไปแล้วแต่ถ้าว่ายืนเดินนั่งนอนนอนยังไม่หลับนะเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอเหมือนกับเราให้มีสติอยู่ในอยู่ในกายของเราให้มีสติอยู่ในกายนะเออถึงจะยืนให้มีสติอยู่ในการเดินการยืนการเดินการนั่งจากนั้นก็ถ้าว่าจะให้เข้มงวดเข้าไปอีกก็คือเวลานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก นี่แหละหายใจเข้า บ, บริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานที่สายหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเน้นหนาสําหรับสิทธิญาณุสิทธิ์ของท่านเพราะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นนั่นแหละถึงข่าวจวนเจียนหรืออกถึงข่าวจะทิ้ง ร่างกายของเรานี่แหละเราจะได้วิ่งเข้ามาหาเรื่องจิตตภาวนานี่แหละเราจะได้ดูใจของเราใจของเราปั่นป่วนยังไงใจของเราทุหลนทุลายยังไงใจของเราว่าหวีอ้างว่างยังไงใจของเราโมโหโทโสยังไงเราจะได้ดูได้ถ้าว่าเราไม่เคยภาวนาจะเลยนะเราไม่เคยกําหนดจิตจะเลยถึงวันนั้นของมามันจะทุหลนทุลายกระสับกระส่าย แปรปวนไปเรื่อยเพราะเราไม่ไม่ได้ภาวนาแต่ถ้าหาว่าเราภาวนามันจะวิ่งเข้าไปหาจุดจิตใจสติของเราจะสมบูรณ์ขึ้นทันทีเมื่อเรากำหนดเราก็จะรู้ได้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะเราอย่ามองข้ามถึงวันหนึ่งเราจะนั่งเพียงสองสามนาทีสีหานาที10บนาทีก็ได้เป็นการฝึกไปทีละน้อยละน้อย กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุธโทโธเออเวลาเดินก็เราจะเดินออกกําลังกายเนีเราจะออกกําลังกายเราจะบริกรรมออกพุทธโธพุธโทโธพุธโทโธเดินไปก็ได้เนีไม่ได้เลือกการสถานที่นะการภาวนาไม่ใช่ว่าถึงวันพระราชก่อนแล้วจึงค่อยทำเออตกตอนเย็นซะก่อนเราจึงค่อยทําไม่ใช่อย่างนั้นเรานะทำนะ่าสถานที่ใดก็ได้ เราจะตอกลอกปอเราสารตะกงตะกาแลราบริกรรมไปด้วยให้มีสติอยู่กับตัวเองเออให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจคล้ายๆกับว่าให้ดูใจให้รู้ใจให้เห็นความรู้สึกของตนเองเออว่าเดี๋ยวนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นการภาวนาแล้วแค่ว่าสติอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นแปลว่าภาวนาแต่ถ้าว่าเราขาดสติถึงจะนั่งภาวนาจุกปุกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับคือมือซ้าย แต่ใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านไปอยู่ไม่รู้จะไปประเทศไหนอยู่อังกฤษอเมริกาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นไม่ใช่ภาวนานะนั่งคิดนั่งปุงเฉยเยไม่ใช่นั่งภาวนาแต่นั่งภาวนาคือให้มีสติอยู่กับตัวเองในอริยบททุกอริยบทอันนั่นแหละคือภาวนาเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านนะอย่าประมาทนะเรื่องภาวนาเป็นสิ่งจาเป็นสาคัญมากในเมื่อเราเข้ายามคับขันนะ ยามขับขันของชีวิตเรามีนะยามขับขันชีวิตของเรามีเมื่อนั้นเราจะเห็นคุณค่าในการฝึกสมาธิของเราอย่างมากแต่ทางว่าพวกเราไม่เคยฝึกสมาธิเลยนะไม่เคยนั่งภาวนาเลยนะถ้าเมื่อถึงข่าวคับขันเข้ามานั่นะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเขาให้ทำอะไรทาหมดเพราะกลัวเพราะกลัวทางว่าพวกเราได้ฝึกมาแล้ว จะกลัวไปทำไมถึงจะกลัวแล้วไม่กลัวก็มีคุณค่าเท่าเก่าเรารักษารักษาก็รู้อยู่แล้วรักษาเป็นยังไงไม่คาวนี้ก็ต้องขาวหน้ามันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากถ้าเราฝึกขัดจิตตภาวนาแต่ ถ, ถ้าว่าเราไม่เคยภาวนาแล้วนะเราจะว้าวอ้างว้างเงียบเก่านะเศร้าซึมจะเข้ามาถึงพวกเรา เพราะนั้นพวกเราอยาโยมทุกท่านนะที่หลวงพ่อว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนนี่ก็พูดในไหลแง่ไหลเรื่องราวที่ให้พวกเราได้สำนึกให้เป็นข้อคิดประจำกายวาจาใจของเราประจำใจของเรานั่นะนะต่อนนี้ไปรับพรณนะตตนนี่นะนมูธนาให้พร